มีกายกายที่มีค่ากายที่ประเสริฐต้องเป็นกายที่มีศีลเป็นเครื่องประดับประดับตนด้วยความดีมีราศีกว่าประดับเพชรราศีหมายความว่าความน่ารักความน่าเคารพความน่านับถือนั่นแหะสิ ราสีสักศรีมันสูงหน้ากราบหน้าไหว้ทันทีถ้าทำอะไรก็เป็นศีลพูดอะไรก็อยู่ในศีลฉะนั้นจึงบอกว่าประดับตนด้วยความดีมีราศีกว่าประดับเพชรหรือใครประดับมาอย่างกัทเทวดาตุ้มหูสะท้อนเลื่อมมากมากมากม า, มานิ้วตุกนิ้วเล่งแสงร ะ, ระยิบระยับมาเราก็ ศรัทธาเหมอะกราบอย่างนั้นหรือเห็นเพชรเยอะเลยศรัทธาใหญ่แต่ถ้ารู้ว่าแม้ประดับสวยแต่ปากจัดเลือกเกินประดับตัวสวยด้วยเครื่องอาภรร์ที่ล้ำเลิศแต่เป็นคนที่เรียกว่าเห็นเก่ตัวจัดชอบอารัดเอาเปรียบอย่างนี้เรานับถือไม่ลงเป็นคนที่ไม่มีราศีที่น่ารักน่าเคารพเป็นคนที่ไม่มีศั์ศีที่น่าจะเทิดทูนบูชา แต่ถ้าเราเอาศีลมากำกับถึงเราจะตัวดำถึงเราจะเรียนตดำถึงเราจะเป็นคนบ้านนอกเราจะจงแต่ทำอะไรพูดอะไรแล้วยึดมั่นว่าสิ่งที่ทำที่พูดนั้นต้องเป็นศีลต้องถูกศีลคือสิ่งนั้นต้องดีงามตามศีลตามธรรม สิ่งนั้นต้องถูกต้องตามศีลตามธรรมสิ่งนั้นต้องเป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งแก่เราและคนอื่นเราจึงทําเราจึงพูดอันนี้เรียกว่าชีวิตมีศีลบอกว่าชีวิตที่มีค่าและประเสริฐนั้นต้องมีสามอย่างข้อแรกก็คือมีศีลโอ้ยคนนี้น่ารักน่าเคารพนั่นประเสริฐแล้วทําอะไรดีดี พูดอะไรได้ดีฉันศรัทธาเหลือเกินฉันเคารพจริงๆฉันนับถือจริงๆนั่นประเสริฐไหมประเสริฐตรงไหนทีนี้ทั้งๆ ท, ที่เป็นคนบ้านนอกแหละทั้งๆ ท, ที่เรียนต่ำแหละทั้งๆ ท, ที่จนแหละทั้งๆ ท, ที่ผิวกว็ดำเพียงแต่ว่าทำอะไรพูดอะไรมีศีลชีวิตเขาสูงจริงไหม ชีวิตเขามีค่าจริงไหมเทนี้มาดูด้านจิตใจมันต้องมีครบสามใช่ไหมเทนี้ได้หนึ่งไปแล้วสองจิตใจจะต้องมีหนึ่งสติสองสำขะชันยะเทนี้การจะมีสตินั้นมันมีไม่ได้หรอกถ้าไม่สร้างเหตุคนใจไม่สงบใจล่องลอยในสติมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรอก อ่านหนังสือสติก็ไม่อยู่กับตัวถ้ามันไม่เป็นสมาธิขับรถใจเหม่อลอยก็ได้เพราะมันไม่มีสมาธิฉะนั้นที่เขาฝึกสมาธิเนะ่เขาไม่ได้ฝึกให้สงบเฉยๆหรอกความสงบเฉยๆมันก็เหมือนเงินแหละจะถือว่ามีประโยชน์ก็ไม่ใช่นเะงินมันเอากินไม่ได้เอามานุ่งก็ไม่ได้ และมันสำคัญั้ยเงินสาคัญอยู่ที่การเอาไปใช้ฉะนั้นฝึกสมาธิให้สงบแล้วนี่ต้องรู้จักว่าเขาให้สงบเพื่อให้เกิดอะไรให้เกิดสติมันแก่กล้าสติจะแก่กล้านั้นต้องมีเหตุสติจะเกิดพลังก็ต้องเป็นสติที่เกิดจากจิตสงบบ่อยๆและมันจะมีพลังเยี่ยมเลย คำว่าเยี่ยมนี้ต้องเอาไปคิดคือมันเลอเลิศเกินที่จะใช้คำพูดถ้ามันสงบลอยๆมันสติมันแก่กล้าเมื่อแก่กล้านี่คำว่าเป็นอริยะบุคคลแปล ว, ว่าประเสริฐสิ่งที่มันเกิดตามมานั้นแะมันพาสูงพาประเสริฐฉะนั้นสมาธิก็เพื่อบ่มสติ เขาให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกคือสติมันรู้ตัวอยู่ตลอดเมื่อมันเคยอยู่ตัวตลอดเวลาจะทำอะไรมันก็อยู่ตัวเวลาก้าวไปเดินมันก็อยู่ตัวเวลาอ่านหนังสือมันก็อยู่ตัวมีเต่ดีกับดีบางคนไปทำงานอยู่ในโรงงานเครื่องจักรเครื่องกลเอามือป้อนให้เครื่องจักรเครื่องกลป้อนวัตถุบางอย่างผลิตภัณฑ์บางอย่าง แต่มัวแต่ใจลอยสติไม่อยู่เนื้ออยู่ตัวบางทีก็เอาแขนป้อนเข้าเครื่องได้ตัดแขนมาก็มีบางคนเดินกับถนนขาก้าวอยู่กับถนนแต่ใจไม่อยู่กับขาไม่รู้ว่าตัวเองกําลังข้ามถนนรถแซงมาเปรี่ยงอย่างนี้แหละขาดสติแล้วมันสูงไม่ได้มันประเสริฐไม่ได้อ่านหนังสือแบบขาดสติจ้างก็ไม่รู้เรื่องหรือรู้ก็รู้อย่างนั้นแหละ ขับรถแบบสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเกิดเป็นคนสวยแสนสวยรูปแสนหลอ่อแต่ถ้าสติเสียก็เรียกเ บ, บาจบเลยชีวิตความสวยมันจะช่วยอะไรถ้าสติมันเสียคำว่าคนบ้าอะไรเสียไม่ใช่ตาเสียไม่ใช่หูเสียแต่สติเสียฉะนั้นฝึกสมาธิไปทำไมบางคนก็บอกฝึกแล้วกินไม่ได้สู้ไปหาปูหาปลาไม่ได้นั่นแหละพูดแบบชาวโลก คนที่พูดดูถูกธรรมะแบบนั้นต่อไปนั้นสติจะไม่สมบูรณ์บางทีไม่เกิดในชาตินี้แต่ชาติต่อไปนั้นจะถ้าเกิดเป็นสัตว์นิรันดร์จะเป็นสัตว์ประเภทไม่มีสติอันตรายแก่ตัวเช่นอาจจะเกิดเป็นอื่นเพราะไม่มีสติเพราะไม่มีสัมปชัญญะสติและสัมปชัญญะเมื่อรวมตัวกันแล้วเขาเรียกว่าปัญญา ปัญญามันจะต้องอยู่บนฐานของสองอย่างนี้อือมันสนุกมันร้องด้วยความสนุกคนไปหาอือมจะรูหาได้ยังไงกลางคืนมันไม่ใช่ตัวเหมือนวัวเหมือนควายก็อาศัยเสียงเพราะอือมอ่างตรงไหนมันจะวิ่งไปตรงนั้นเหมือนเหมือนกับว่ามามกเอาฉันหน่อยมาจับใส่ข้องหน่อยอะไรองี้แหละจานัมันเอืออ่างเหมือนกับว่ามาเอาหน่อยนั่นแหละมันหาเรื่อง ร้องสนุกเพื่อจะเดือดร้อนคือไม่นานจะได้ลงคล้องเขาและไม่นานจะได้ลงมอแกงที่มันร้อนนั่นแหละบางทีเขาจับได้ก็เพราะเรานั่นแหละเป็นเหตุคือเราร้องฉะนั้นอย่าไปดูถูกคุณศีลคณธรรมแม้เราจะฝึกสมาธิไม่เก่งก็จะไปบอกว่าพวกหลับหูหลับตาพวกงโง่ ลืมตายังไม่เห็นอะไรหลับแล้วมันจะเห็นอะไรนี่แหละพูดแบบตัวเองโง่และจะได้บาปได้กรรมเป็นของแถมสแสดงว่าเขาไม่เห็นความสำคัญของสติเขาจึงกินเหล้าว่ามันสนุกเมามากาหมดสติไม่รู้ตัวว่าอายุมากพระเมาก็าอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นพระอาจจะฟ้อนรำร้องเพลงเฉยอ่า ยอมอายุขนาดพ่อคนเมามาสติไม่มีนอนกลางถนนก็นไม่ไอายเด็กยืนปัดตะวะไม่รู้จอะอายอะไรยวะเปิดให้เด็กก็าหัวเรานะง้ยมันเพราะเสียสติทั้งนั้นแหละฉะนั้นพวกนี้บางทีการลอยตัวนั้นมันเกิดจากการที่เราขาดบารมีบางอย่างคือขาดการฝึกสติอาจจะชาติก่อนไม่ค่อยฝึกสมาธิไม่ค่อยฝึกเรื่องวิปัสสนากรรมฐาน ฉะนั้นอะไรมันจะทำให้เสียเนี่ยมันจะแวบเลยเราสอนแทบตายน้ำลายแทบไม่มีสอนลูกเราที่มันจะเสียเพื่อนชักจูงไม่กี่ประโยชน์มันเอาเพื่อนเป็นใหญ่มันลืมคนที่เลี้ยงลืมคนที่ป้อนข้าวป้อนนะ้ำเห็นคนอื่นอยู่ในดวงใจแต่ลืมพ่อลืมแม่สติหายไปไหนปัญญาหายไปไหนจึงมองไม่เห็นว่าใครดีกว่าใครนั่นแหละดูถูกศิลดูถูกําและจะลงเอยเป็นอย่างนั้น อย่าลืมว่าเตะเสาขาเราหักเสามันแข็งเรามองหมาเตะเสาประชดเราจะเจ็บปวดขาเราจะหักและเราจะเป็นทุกข์เราจะเสียเงินเราจะเดือดร้อนทีนี้พ่อแม่นะ่ะมีบุญมีคุณมากนี่เขาเรียก บ, บรารมีเก่กล้าสร้างความดีกับลูกเยอะๆลูกคนไหน พ่อแม่สอนคำกบเถียงคำแด้ก็ไม่มีรถวาคาไม่มีรถลาวาศเถียงก็เถียงด่าก็ดา่าคืนลูกประเภทนี้มีเหมือนกันจนพ่อแม่นไม่อยากจะเอ่ยปากสอนประเภทนี้เดี๋ยวขาก็อหักคำว่าขาหักนี้เป็นคำเปรียบเทียบว่าอย่าลองดีกับพ่อแม่อย่าทาเป็นใหญ่กว่าพ่อแม่พ่อแม่น่ะผู้มีบารมีสูงกว่าลูกรม ทำเป็นเหนือพ่อแม่แล้วจะเดือดร้อนทุกรายค่อยดูก็แล้วกันถ้าเราสนใจสังเกตดูมากต่อมากแล้วเจตามาเห็นฉะนั้นใครมีบุญมีคุณใครประเสริฐนั้นเขาต้องยกไว้เหนือหัวท่านจะด่าก็บอโอ้ยช่างเถอะพ่อแม่ดา่าเรามันไม่ใช่คนอื่นดอกยอมได้หมดครูบาอาจารย์สอนครูบาอาจารย์ด่าเขาโอ้ยครูก็อยากให้เราดีอย่าไปโกรธท่าน บางตีเลือนนักการบ้านก็ไม่ทําระดาก็แล้วสอนก็แล้วก็เลยเขี้ยนบ้างก็ไม่โกรธเพราะถือว่าครูเขียนเพราะอยากให้ดีคนแต่ก่อนเขาจึงยอมยอมพ่อยอมแม่ยอ ม, อยอ ม, ม, ยอมครูบาอาจารย์กลัวบาป ก, กลัวกรรมเดี๋ยวนี้บอกว่าโอ๊ยเด็ลูกใครต่อใครมันแทบ จ, จะเหมือนเหมือนกันทันมหาเอ๋ยหลวงตาน้อยเอ๋ยทําไมเด็กสมัยนี้มันสอนยากที่มันยากก็เพราะว่ามันเป็นดอกบุน ที่เกิดจากการลืมศีลลืมธรรมอ่ะฉะนั้นคนที่ไม่มีสติสตังมันเกิดขึ้นมาเยอะอะไรสูงมันก็ไม่รู้ว่าสูงอะไรมีคุณมีประโยชน์มันก็ไม่ค่อยรู้มันจะกินมันจะเมาเงินทองจะหมดกับในคลับในบาร์มันจะเสียดภัยไหมสติปัญญาที่จะคิดมันไม่มีเงินไม่มีจะเอาอะไรไปซื้ออาหา ร, าหารบุญบารมีไม่เคยสร้างไว้ในชาติก่อนมาชาตินี้มันก็่มืดเร็วบางคนนั้นไม่มืด รู้ตัวอยู่ตลอดเห็นใจพ่อแม่ตลอดแม้จะห่างจากพ่อจากแม่ก็ไม่เคยลืมจิตใจรู้ตลอดฉะนั้นอย่าปล่อยให้บันไดภพชาติมันหักถ้าจะทำตัวให้สูงให้ประเสริฐให้มีค่าแล้วหนึ่งต้องมีศีลกำกับกายวาจาสองต้องมีสมาธิฝึกใจให้สงบบ่อยๆไม่จำเป็นต้องทิ้งงานแล้วไปนั่งหลับตา ถ้าแบบนั้นอาจจะทำให้จนเลยก็ได้ถ้าบอกว่าโอ้ยต่อไปนี้ไม่ต้องทำงานแล้วสมาธิมันเป็นเรื่องดีวิ่งไปหาที่นั่งที่หลับตาบ่อยๆ อ, อันนั้นก็แสดงว่าสมาธินี่มันเป็นสิ่งทำยากไม่ใช่การทำใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวในทุกปิรยิยบทเป็นสมถะเป็นสมาธิไปในตัว สวดมนต์ตั้งใจสวดกลัวจะสวดผิดนั่นก็เป็นสมาธิสติมันก็อยู่ตัวเพราะมันไม่ได้คิดเรื่องอื่นมันใจจดใจจ่อใจแวบออกนอกตัวก็สวดผิดเลยแตมาเหมือนกันบางทีสวดไปจาเผลอแวบคิดเรื่องอื่นจบทอนใดทอนหนึ่งปั๊บขึ้นไม่ถูกเหมือนกันแม้สตินี่มันมีค่าจริงๆฉะนั้นพระพุทธเจ้าว่า สิ่งที่มีอุปการะอย่างมากมีคุณอย่างมากมีประโยชน์อย่างมากคือสติและสัมปชัญญใะในพระไตรปิฎกว่าไว้อย่างนั้นเลยธรรมที่มีอุปการะมากสติ ก, กับสัมปชัญญะทีนี้การฝึกสมาธิเนี่ยา mong ให้เกิดสติให้สติมันเกิดเมื่อเกิดอยู่เนื้ อ, อยู่ตัวนานๆมันจะเกิดพลังเมื่อเกิดพลัง มันถึงจะเกิดความวิเศษเกิดความอัศจรรย์นั่นความประเสริฐความเลอเลอิศความอัศจรรย์มันจะต้องตามมาถ้าตราบใดที่สมาธิยังไม่เกิดสติยังไม่เกล้กล่อมอัจฉริยะเกิดไม่ได้แน่นอนแหละตามาเชื่อในเหตุในผลใย ร, รองตามเหตุตามผลไม่เอาความรู้สึกเป็นเกณฑ์แต่เชื่อมั่นในเหตุในผล ทีนี้มันประเสริฐตรงไหนถ้ามีศีลและทำดีพูดดีโอ้ยคนนี้นิ้นี้ดีโอ้ยคนนีน้น่ารักร น, น่ารักเออคนนี้น่าเคารพนั่นประเสริฐแล้วเขาจึงเคารพเขาจึงเถิดทูลเขาจึงนับถือทีนี้มีสมาธิแล้วนี่มันประเสริฐตรงไหนทีนี้ไหนว่ามสีสามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาและทําให้ชีวิตประเสริฐเมื่อสมาธิจิตสงบบ่อยๆสติกแก่กล้า จะทําอะไรจิตอยู่กับเนื้อกับตัวจะอ่านหนังสือจิตอยู่กับเนื้อกับตัวจะฟังเทศจิตก็อยู่กับเนื้อกับตัวจะเทศจิตก็อยู่กับเนื้อกับตัวมันได้ประโยชน์มหาศาลนี่แหละชีวิตมันสูงแล้วสูงไปหมดทุกเรื่องถ้าทําอะไรพูดอะไรอย่างมีสติและจะเสียไปทุกเรื่องถ้าไม่มีสติคนบ้าไม่มีสติเสียไปเยอะแยะฉะนั้น ถ้าไม่อยากเสียจงรักษาสิ่งดีนี้ไว้ฝึกสมาธิตามโอกาสทํางานก็พยายามให้อยู่จิตอยู่กับเนื้อกับตัวแม้แต่กวาดวัดอย่างนี้แหละหลวงปู่มั่นนะว่ากวาดวัดก็เอาจิตรู้ตัวล้างกระถนกัจิตรู้ตัวล้างแก้วจิตรู้ตัวล้างบาทจิตรู้ตัวลุกขึ้นมาขยับอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับความคิดมันคอยดูดูแลตลอด เหมือนกับความคิดมันห่วงชีวิตมันดูทุกอิริยาบทฉะนั้นสมาธิจริงๆมันไม่ใช่ว่าจะมานั่งหลับตาอย่างเดียวเพราะคนที่นั่งเก่งบางทียังไม่เห็นชีวิตดีเท่าที่ควรก็มีเห็นเยอะแยะเพราะเป็นการติดมุมใดมุมหนึ่งติดอาการติดรูปแบบฉะนั้นอย่าไปน้อยใจว่า เราไม่มีเวลาพอเรามันต้องดิ้นรนทำมาหากินไม่มีเวลานั่งสมาธิหรอกท่านสามารถทำสมาธิได้ทุกอิริยาบถยืนทำสมาธิให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวก็ได้เดินกำหนดรู้ตัวว่าซ้ายขวาย่างนี้ก็ได้นั่งอย่างที่เราชอบทำกันอย่างนี้ก็ได้นอนกำหนดลมหายใจไม่ส่งใจฟุ้งไปที่อื่นขอ น, นอนจะนอนตะแคงนอนงายนอนอะไรก็ตามแต่อย่าให้จิตมันฟุ้ง เอาจิตอยู่กับนู้ดกับตัวกับหนดลมหายใจก็ได้หรือจะเอาจิตเหมือนกับมองตัวเองว่านอนในท่าไหนเหมือนจะเอาความรู้สึกเอาสตินั้นครอบตัวเองไว้ก็ได้นี่เ็าเรวยกฝึกสมาธิในท่านอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดให้มีสติตลอดนั่นแหละคือการฝึกสมาธิประเสริฐแน่ทุกสิ่งที่ทำทุกคำที่พูดถ้ามีสติ ดีแน่ประเสริฐแน่ประการสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิตสูงและประเสริฐคือปัญญาฝึกคิดอะไรให้รู้จริงเป็นเรื่องๆไปบ้างอย่างเราคิดไม่รู้เพราะมันสุดวิสัยกว่าชางมันแต่สิ่งไหนที่พอบกบให้มันละเอียดต้องละเอียดมองชีวิตเพื่อให้เห็นว่ามันไม่จรังมันไม่ยั่งยืนตัวหนังสือว่าอย่างนั้นลองเอามาคิดดูสิมันไม่จรังยังไงมันไม่ยั่งยืนยังไง ตรงไหนมันไม่จรังรำคำว่าไม่ยั่งยืนมันตรงไหนอ๋อมันเป็นจริงอย่างนั้นให้มันซึ้งตลอดดูสิเมื่อมันละเอียดแล้วทีหลังก็ไม่ต้องมานั่งทบทวนทฤษฎีก็ไปมองเรื่องพระคุณของพ่อแม่ที่ว่ามีบุญมีคุณมากเอ๊ะท่านมีอะไรบ้างลองมองการกระทําของพ่อแม่ดูสิลองนึกถึงหัวใจของพ่อแม่ที่รักลูกเมตตาลูกในกรณีไหนบ้าง นึกจนมันเกิดอาการตื้นตันฝังใจดึกลึกให้มันละเอียดเป็นเรื่องๆจนใจมันซับเอาสิ่งเหล่านั้นได้มันหลายเรื่องเหลือเกินสิ่งดีๆฉะนั้นการสร้างบา ร, รมีมันไม่เต็มง่ายๆถ้ามัวเลาละเลดไม่มีวันเต็มถ้าไม่เลาละเลเต็มแน่แต่จะเร็วหรือช้าเท่านั้นข้อสำคัญอย่าให้ตกไปกว่ามนุษย์ก็แล้วกันเพราะถ้าต่ากว่ามนุษย์แล้ว มันสร้างความดีไม่ได้พวกหมูหมาเป็ดไก่เนี่ยมันจะสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาไม่ได้ฉะนั้นมันเกิดไปใช้กรราชั่วคราวมันจะไปเติมบุญบา ร, รมีในชาติเหล่านั้นไม่ได้แม้แต่เมืองเทวดาอย่างนี้ก็ไปสวยผลบุญที่ตัวเองทำดีแต่การเติมบุญเติมกุศลไม่สะดวกเหมือนเมืองมนุษย์นี่อย่างเวลาเทศอย่างนี้ เมืองเขาไม่มีการเทศบางทีเทวดาก็ยังลงมาฟังเทศสวดมนต์ให้ใจเ อ, อบิบจิมใจสบายบางทีเทวดาก็ลงมานั่งฟังให้สบายด้วยมันไม่มีอะไรมันไปเสวยผลเฉยๆฉะนั้นเมืองม น, มนุษย์นี่เป็นศูนย์กลางที่ประเสริฐแล้วสร้างปัญญานั้นเขาหมายถึงว่าให้รู้จริงให้รู้ถูกรู้จริงรู้ถูก ชีวิตประกอบด้วยกี่ส่วนรู้จริงๆว่าส่วนร่างกายและจิตใจร่างกายนี้ประกอบด้วยส่วนย่อยอะไรบ้างธาตุสี่ขันห้าอะไรบ้างละธาตุสี่ขันห้าไล่ไปไล่มาไม่ใช่เรื่องมีสาระอะไรหรลยเราจึงไม่ต้องติดตัวเราและไม่ต้องติดคนอื่นถ้าจะรักนับถึงกันก็ให้ถือว่านั่นคือมนุษย์ผู้น่าสงสาร ตีกรอบว่าจะคบแบบพี่แบบน้องตีกรอบว่าจะคบแบบญาติรักลูกเขาไม่ห้ามหัวรักเมียเมียรักหัวเขาไม่ห้ามมนุษย์จะคบกันด้วยความรักด้วยความเห็นใจนั้นศีลธรรมไม่ได้ห้ามแต่อย่าให้มันเกิดตัวกิเลสจนเลยเถิดแล้วมันจะก่อกรรมทำเข็ญฉะนั้นต้องอยู่อย่างมีปัญญาคบคิดแต่ละเรื่องอย่าให้มันผิวเผิน เอาแต่ละเรื่องให้มันละเอียดละเอียดถ้าเรื่องใดละเอียดแล้วมันเหมือนกับเราผ่านหลักสูตรนั้นเราก็ลองพิจารณาเรื่องใหม่ไปเรื่อยทีนี้ถ้าจิตมันรู้มากๆเข้าต่อไปมันจะไม่ไล่ทีละเรื่องแล้วทีนี้มันจะวุบมาเหมือนเหมือนกับมันปรุงพร้อมๆกันทีนี้มันเหมือนกับมันทำงานเร็วขึ้นเกิดเหตุการณ์ปัเหมือนเหมือนกับทุกอย่างมันจะวิ่งพึบมาช่วยกันได้เร็วอันนี้ก็อาศัยการสังเกตเหมือนกัน พวกภพภูมิวิญญาณนี่เรามีวิญญาณหมูหมาเป็ดไก่ก็มีวิญญาณพวกสัตว์นรกก็อสุรกายเขาก็มีวิญญาณวิญ ญ, ญาณกับวิญญาณมันประสานกันได้ถ้าสภาวะมันเอื้อต่อกันยังพวกเครียดที่เข้าใจสะอาดใจบริสุทธิ์เป็นภพภูมิที่ละเอียดเป็นอาทิตสมานากายถ้าช่วงใดที่เราใจสงบใจละเอียดบางอย่าง สิ่งที่เขาสงสารเราเขาก็อยากจะมาช่วยมาสื่อความหมายหลวงตาบัวก็ตามหลวงปู่มั่นก็ตามบางทีนั่งสมาธิอยากให้เห็นในมิตรก่อนนั่งก็ตั้งใจแต่นั่งไม่เห็นแต่พอฝ <c ười> ันบพรว่าเช่นอย่างหลวงตาบัวไปทำหมากให้หลวงปู่มั่นยังําเจาะๆได้สองสามครั้ง ตื่นพอดีประมานแสดงว่าส่วนมากแล้วฝันแม่นนั้นมักจะช่วงตีหนึ่งตีสองตีสามเพราะมันเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราคิดลุ่มอะไรโศกอะไรบึด อ, อัดอะไรก่อนนอนพอเพราะหลับปั๊บมันจะฝันในเรื่องใหล้ายที่เราคิดก่อนนอนแต่นี้พอฝันจบแล้วจากนั้นมันจะเป็นจิตล้ว น, วนเทวดาเขาประสานได้ง่ายฉะนั้นกรรมาฐานจึงฝันอะไรแล้วเหมือนตาเห็น เพราะท่านไม่ค่อยเอาอะไรมาคิดมาปรุงไม่ยึดคิดเพื่อรู้คิดแล้วก็วางก็เรียกวุเบกขาวางดา้คิดเรื่องพระคุณของพ่อแม่คิดแล้วก็วางคิดเรื่องอะไรแล้วก็วางไม่คิดคิดแล้วมานั่งค้ำคำ่างอย่างนั้นก็เรียกเป็นตัวอุปาทานนอนมันจะฝันเหมือนเหมือนกับเรื่องที่เรายึดนั่นไม่ยึดแม้แต่กระทั่งตัวเองนั่นหลวงปู่มั่นก็เหมือนกันฝันเ็ น, นิมิต เห็นตอนขี่ม้าไปแล้วไปเจอตู้พระไตรปิฎกเป็นตู้เงินสวยงามกําลังจะเปิดตื่นพอดีว่างั้นแน่ทําไมชอบตอนตีสามตีสี่และปกติแล้วเทวดานั้นชอบความสงบเมืองเขาสงบเขาเห็นว่าเมืองมนุษย์เป็นเมืองที่วุ่นวายปกติไม่จําเป็นเทวดาเขาก็ไม่อยากอ ย, กอยู่เห็นมนุษย์ในคำพิว่าอย่างนั้นน嘛ะ เขารำคาญของเขามันละเอียดร่างกายละเอียดสวยงามไม่เน่าไม่เหม็นเหมือนมนุษย์ไม่มีของขาวเหมือนมนุษย์บานเรือนของเขาก็ไม่ต้องมาลําบากทางขางเหมือนมนุษย์อะไรมันละเอียดหมดฉะนั้นจิตต้องละเอียดจริงๆ จ, งจึงจะสื่อความหมายกับสิ่งเหล่านั้นได้ครกบายการที่ท่านรู้เรื่องเหล่านี้ก็ต่อเมื่อท่านฝึกจิตถึงขั้นละเอียดฉะนั้นอยากให้ชีวิตมีค่าอยากให้ชีวิตประเสริฐต้องฝึกศีล ฝึกสมาธิฝึกปัญญาจนสิ่งนั้นเกิดเป็นภูมิจิตภูมิธรรมเกิดขึ้นกับใจและอยู่กับใจนั่นเรียกว่าภูมิจิตภูมิธรรมถ้ามีแล้วก็ประเสริฐมีน้อยก็ประเสริฐน้อยมีมากก็ประเสริฐมากมีจนเต็มเตี่ยมก็เป็นบมุคคลที่สมบูรณ์แบบที่สุดเรียกว่าพระอรหันต์ฉะนั้นถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซนต์และมนุษย์นั ใครจะได้กี่เปอร์เซนต์นั้นก็ต้องมีวิธีดูแหละไมีวิธีดูไมีวิธีสังเกตที่จริงทุกอย่างมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นแหละแต่มันไม่ได้เปลี่ยนปึ๊บพับให้เราเห็นทันทีฤดูการที่มันหมุนเวียนกว่าจะเป็นร้อนกว่าจะเป็นหนาวมันใช้เวลานานก้อนหินที่มันปุ ก, กรนกลายเป็นเม็ดทรายรเล็กๆมันค่อยๆกระทาะ อ, ออก เราก็ไม่รู้เพราะมันไม่ได้ดังปร่งเปรี่ยงแตกออกแยกออกจากก่อนแต่มันก็ปุ่นกร่อนวันนี้กวาดก้อนหินไปตรงไหนที่มันสูงที่สุดน้ําฝนตกกระแทกแล้วมันก็ไหลลงมาข้างต่ําเป็นพักๆมันจะเป็นรูเป็นหลุมเหมือนอุกกาบาตใบไม้ตกอยู่ในร่องก็กวาดยากเราก็เลยว่าไอ้กวาดแต่ก่อนมันก็ไม่ค่อยลึกอย่างนี้ ก็เลยนึกถึงว่าบางแห่งเป็นภูเขามันเคยเป็นทะเลน้ําแข็งคนคงจะมงไว้น้ําแข็งมันจะกลายเป็นหินได้อย่างไรยังไม่อธิบายละเอียดไม้กลายเป็นหินก็ได้น้ํากลายเป็นหินก็ได้น้ําแข็งกลายเป็นหินก็ได้ฉะนั้นทุกอย่างมันแปรปลวนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้ารู้ทะลุโลกแล้วไม่ต้องไปสงสัยคนฝึกจนเป็นสลบไม่รู้กี่ครั้งกี่หนกว่าจะได้ดีคนอย่างนั้นไม่ใช่คนเหล่าแหล คนอย่างนั้นเอาจริงกับความดีความถูกไม่มีปลิ้นปล้อนหลอกลวงใครฉะนั้นถ้าเรายึดมั่นในประพพระธรรมประส์เราก็เป็นคนโชคดีเราเป็นคนโชคดีในโอกาสที่เศวันนี้ทั้งหมดให้ถือเป็นราชสักการะหรือราชสุกดี การเทิดทูลการสะดุดดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นพิธีการมีวิธีเทิดทูลหลายแบบพรุงนี้บางทีทางราชการเขาก็ไปเอารูปพระองค์ท่านตั้งไว้แล้วก็ไปทําการเปิดกรวยโค้งํานับร้องเพลงเขาก็บอกว่านั่นแหละไปสะดุดดีนั่นแหละไปเทิดทูลพระองค์วันนี้อาตมาเทศก็ตั้งใจว่าเป็นการเทศในลักษณะเพื่อขอน้องเป็น ราชกุศลคือเอาความดีความงามที่เกิดบุญกุศลบารมีที่เกิดจากการเทศในวันนี้ต่างเครื่องสักการะขอให้ผลบุญผลญกุศลผลความดีที่พวกเราทั้งหลายได้ทามาตั้งแต่อดีตแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ได้รวมเป็นธารวะปัจใจสนับสนุน ชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ให้มีพระเกษมสำราญเป็นร่มโพลร่มไทรของชาวไทยเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยเป็นศูนย์รวมน้ําใจของชาวไทยให้พระองค์ทรงอายุมั่นขวัญยืนตราบนานเท่านานเท่าที่จะนานได้ยังท้ายแถมด้วย โอกาสที่พวกเรานำสือชาติศาสนามหากษัตริย์เพราะเราเกิดมาเราอาศัยชาติอาศัยแผ่นดินในชาติเราอยู่ระอา่านได้เขียนเป็นชาติเขาก็จัดคนมาสอนหนังสือให้เราอา่านได้เขียนเป็นเขาอยากให้น้ําไหลไปสว่างชาติเขาก็ดูแลคนในชาติแล้วคนในชาติต้องดูแลชาติตัวเองตามหน้าที่ตามโอกาส อย่าแรงน้ําใจอย่าใจจืดใจดํากับชาติอย่าสร้างปัญหาแก่ชาติชาติต้องการความเจริญเราจะมีส่วนช่วยได้ยังไงจึงจะชาติเจริญชาติเขาต้องการความสามคัคคีความสมบกสุขอย่าทําให้เกิดการแตกร้าวอย่าทําให้เกิดความวุ่นวายเพราะชาติเขาไม่ได้ต้องการอย่างนั้นคนรักชาติอย่าสร้างสิ่งที่ชาติไม่พึงประสงค์ศาสนา คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะอยู่ด้วยกันมีความสุขต้องยึดหลักศาสนาจะทำอะไรต่อกันพูดอะไรต่อกันต้องคำหนึงถึงความดีตามหลักศาสนาไม่ใช่ทุกคนทำตามอารมณ์พูดตามอารมณ์ฉะนั้นศาสนาจึงเป็นหลักสำคัญในการครองชีวิตศาสนาเป็นหลักสำคัญในการครองสงังคมสำคัญถึงขนาดว่าถ้าคนขาดศาสนาแล้วคนจะดุร้ายยิ่งกว่าสัตว์คนจะดุร้ายยิ่งกว่ายักษ์ คนจะดุร้ายมีพิษมีสงฆ์ยิ่งกว่างูฉะนั้นขาดหลักศาสนาแล้วลูกก็ฆ่าพ่อแม่ได้ศาสนาจึงเป็นสิ่งที่จะต้องช่วยกันพดุงไว้ทำยังไงศีลธรรมคนถึงจะได้เรียนที่ไหนก็สอนศีลสอนธรรมที่ไหนก็สอนให้คนรู้จะบาปบุญคุณโทษเรากล้าให้เงินลูกไปเข้าโรงหนังโรงลครเขาได้สอนศีลสอนธรรมไหม พ่อแม่ทำงานเหนื่อยแทบตายลูกเอาเงินไปเข้าคลับเข้าบาร์ไปกินไปเมาไปดิบไปดิ้นทำใจไม่สูงไหมศาสนาจะทำให้ลูกเราดีเราต้องมาเหนื่อยกับศาสนากันหน่อยอย่างอาตมาเทศอย่างนี้อาตมาก็เหนื่อยบางทีก็เบื่อแต่ก็อยากให้ศีลธรรมมันงอกงามในจิตใจของคนฉะนั้นถ้าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคต่อศาสนาขอให้ทุกคนหวานอมสงกริน แม่จะยอมเราก็ยอมเพื่อศีลเพื่อทำลักษณะของบัณฑิตก็ต้องแบบนั้นพ่อแม่ที่ดีต้องยอมเสียเวลาเพื่อลูกได้พ่อแม่ที่ดีต้องยอมเหนื่อยยอมร้อนยอมตากแดบดบยอมตากฝนทํา ม, มาหากินเพื่อลูกได้ชาวพุทธที่ดีต้องยอมเพื่อศาสนาได้พระพุทธเจ้าท่านให้หลักว่าทรัพย์เป็นสิ่งดีและสําคัญแต่อยู่นอกตัวมันจึงสําคัญน้อยฉะนั้นถ้าหากว่านิ้วเรามันเป็น แผลอันตรายถ้าไม่เสียเงินถ้าไม่เสียทรัพย์อาจจะต้องตัดแขนหรืออาจจะต้องตายฉะนั้นจงเสียทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะเงินเสียก็ช่างเถอะอย่าให้ตาบอดเงินเสียก็ช่างเถอะเอาเอาเงินไปให้หมอกินอยู่กินยาเถ อ, อะอย่าให้ เป็นโรคตับไตไ้พุงอย่างนี้แล้วกว็ยอมเสียเงินเพื่อรักษาวัยวะทีนี้ถ้ามันจำเป็นเรายอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตนิ้วไหนมันร้ายตัดนิ้วนั้นนิ้วก้อยมันเป็นมะเร็งไฟมันจะไม่เกรียมเต ร, รียมเข้ามาถ้ามันสุดนิ้วก้อยมันจะลามไปกว่ามือถ้ามันลามไปกว่ามือมันจะลามมาใส่แขน